เทประบุติแต่ละองค์มีนางฟ้ามากมายจริงหรือไม่หมายเหตุ head, ผู้อ่านสำหรับปัญหาข้อนี้ในสิงหอานเวอร์ชั่นแรกนั้นมีคนค้านในคำอธิบายปัญหานี้และกลายเป็นว่าปฏิเสธเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้ไปเลยเลยทำให้พลาดสาระ ส, สำคัญที่จะทำให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมและหลักปฏิจจสมุป บ, บาทไปอย่างน่าเสียดายต้องขอให้ทาความเข้าใจไว้ก่อนนะครับว่า หลายอย่างเราควรเปิดใจรับฟังไว้ก่อนและพิจารณาให้รอบคอบบางอย่างนั้นอาจจะขัดกับความเข้าใจเดิมของเราหรือเอาไปคิดตามแบบเรื่องทั้งโลกพอคิดว่าเทพบระบุตรต้องมีนางฟ้ามากมายก็ไปคิดในแง่เรื่องของการครองคู่การมีเพศสัมพันธ์หรือการเป็นผัวเป็นเมียกันในแบบโลกโลกซึ่งความจริงไม่ใช่นะครับเพราะเทวดาและนางฟ้าที่เป็นบริวาร น, นั้นคาว่าบริวาร ไม่ได้หมายถึงคนในปกครองที่เป็นข้ารับใช้ในแบบที่ส่วนใหญ่เข้าใจกันแต่หมายถึงพักพวกเพื่อนฝูงคนร่วมชีวิตหรือแม้แต่กลุ่มคนในสังคมที่อยู่ร่วมกันคนเราจะคิดอะไรได้ตามสันดาลและวิบากที่มีเท่านั้นจะคิดนอกเหนือไปกว่านั้นไม่ได้หลายเรื่องที่ไม่เข้าใจและไม่ยอมเชื่อก็เพียงเพราะว่าแต่ละคนนั้นไม่เคยคิดอะไรลึกซึง้งไม่เคยคิดอะไรเกินไปกว่านั้น เรื่องนางฟ้าเป็นบริวารของเทวดาก็เช่นเดียวกันความจริงไม่ต้องรอถึงเวลานั้นเอาแค่ตัวอย่างในโลกมนุษย์กลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบศิลปินคนหนึ่งและสมัครใจติดตามอยากอยู่ใกล้อยากตามไปทุกที่ด้วยนั้นก็เห็นอยู่นะครับว่าเป็นเรื่องที่เกิดได้จริงมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีต่อกันแม้จะไม่เคยเป็นอะไรในทางชู้สาวเลยก็ตามศิลปินไปไหนก็พร้อมจะเดินทางตามไปด้วยเสมอ ซึ่งคนประเภทนี้ก็มีอยู่จริงยังไม่นับกับญาติโยมที่ศรัทธาพระหรือที่เราเห็นได้ชัดคือการศรัทธาในสถาบันพระมาหากษัตริย์อย่างประชาชนจำนวนมากที่กล้าปฏิญาณหรืออธิษฐานจิตไว้พร้อมกันว่าขอเกิดเป็นข้ารองบาทุกชาติไปให้ลองคิดนะครับว่าขนาดเป็นคนยังมีความรู้สึกแบบนี้เมื่อได้เกิดเป็นนางฟ้าและได้เจอเทวดาผู้ทรงคุณความดี หรือเป็นบุคคลที่เคยศรัท ธ, ธาอยู่ใกล้แล้วมีความสุขการสมัครใจไปอยู่เป็นบริวารซึ่งก็คือการไปอยู่ร่วมกับสังคมของท่านจะเป็นไปได้หรือไม่และต้องไม่ลืมนะครับว่าสวรรค์นั้นมีหลายชั้นมีหลายระดับและยังแบ่งแยกเป็นภูมิภาคเป็นท้องถิ่นต่างๆ ต, ตามความเชื่อความยึดมั่นถือมั่นแตกต่างกันไปหลายเรื่องที่ท่านอธิบายมา น, นั้น ก็เป็นความจริงเพียงเล็กน้อยในโลกหลังความตายเท่านั้นเป็นเหมือนกันอธิบายชุมชนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ยังมีท้องถิ่นอื่นหมู่บ้านอื่นหรือประเทศอื่นที่อาจมีการดำเนิชีวิตแตกต่างกันหรือมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันได้จึงควรทําความเข้าใจให้ตรงในด้านนี้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการศึกษาเรื่องโลกหลังความตายโดยละเอียดแนะนําให้ฟังเสียงอ่านหนังสือที่จัดพิมพ์โดยอาจารย์พรหรือของสํานักค้นคว้าทางวิ ญ, ญญาณทั้งหมด ก็จะช่วยท่านเข้าใจตรงทางมากขึ้นนะครับเทพประบุแต่ละองค์มีนางฟ้ามากมายจริงหรือไม่ตามเนื้อเรื่องที่ปรากฏในหนังสือพระมาลัยมีกล่าวไว้ว่าคนที่ได้ทำบุญไว้ตายแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์มีนางฟ้าเป็นบริวารอย่างต่ำก็ห้าร้อย อย่างสูงมีเป็นแสนแสนล้านล้านตามความรู้สึกของคนที่ได้ยินได้ฟังเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้หรือถ้าหากจะเป็นไปได้ก็ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นสวรรค์เพราะในโลกมนุษย์นั้นถ้าหากชายได้มีพัญญาหลายคนก็ไม่ใช่เรื่องสบายนักเพราะพัญญาทั้งหลายมักจะต้องหึงหวงกันและฝ่ายชายถึงแม้ตนจะมีความปรีเพรมกเกษมสราญสักเพียงไรก็ตาม ถ้าหากมีมากเกินไปย่อมเป็นเครื่องบันทอนกำลังและสติปัญญาและถ้าหากคนใดหมกมุ่นอยู่แต่ในสิ่งเหล่านี้จิตใจย่อมไม่สูงและฝ่ายหญิงซึ่งต่างคนต่างก็มีความต้องการที่จะร่วมอภิรมกับชายในเมื่อชายมีเพียงคนเดียวแต่หญิงมีเป็นจำนวนร้อยๆเช่นนี้ไม่น่าจะได้ชื่อว่าไปเกิดในสวรรค์และที่สาคัญที่สุดก็คือ ฝ่ายชายอาจจะถือได้ว่าเป็นคนมีบุญแต่ฝ่ายหญิงซึ่งจะต้องไปเป็นน้อยเขาไม่ทราบว่าระดับที่เท่าไหร่นั้นจะถือว่าเป็นคนมีบุญได้อย่างไรคนสมัยปัจจุบันได้ฟังเทศวิเรื่องพระมาลัยและเป็นนักคิดก็มักจะมีความรู้สึกดังกล่าวมานี้แม้แต่ข้าพเจ้าเองเมื่อก่อนก็มีความรู้สึกทานองนี้เหมือนกัน ภายหลังที่ได้ศึกษาเรื่องนี้กับท่านครูบาศิวิชัยและเทวดาองค์อื่นอีกหลายองค์แล้วทำให้ได้เกิดความสว่างขึ้นและก็อดคิดไม่ได้ว่าการศึกษาอะไรถ้าหากไม่พยายามสืบไปจนถึงต้นต่อเราคิดคาดคะเนเอาเองจากสามัญสำนึกหรือจากความเคยชินที่มีอยู่ก็มักจะต้องทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างน่าสงสารเช่นเดียวกับคนในสมัยปัจจุบัน ที่ไม่ยอมเชื่อว่าสวรรค์มีจริงเทพบุรและนางฟ้าก็มีจริงก็ด้วยเหตุที่ใช้สามัญสำนึกของตอนเองเกินขอบเขตปัญญาของตอนเองอย่างไม่ถึงแต่ก็กล้าวินิจฉัยข้าพเจ้าได้มีความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นนี้และต้องการที่จะคลี่คลายความรู้สึกของคนในสมัยปัจจุบันออกซ์บ้างจึงได้นาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่ก็ขอให้เข้าใจว่า เท่าที่เขียนไว้นี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยและขอเตือนว่าเมื่อรู้แล้วจงพยายามจำกัดขอบเขตอย่าพยายามเดาหรือคาดคะเนให้กว้างเกินไปเพราะประเดี๋ยวจะเข้าใจผิดอีกเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าได้นำปัญหาดังที่กล่าวมานี้กล่าเปรี่ยนถามท่านท่านได้ออกตัวว่าท่านเป็นพระถ้าจะถามอะไรให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านตอบได้ไม่มากนะัก แต่บังเอิญมีโอปปปาติกะคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นสหายกับข้าพเจ้ามาในขณะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันซึ่งในขณะนี้เป็นเทวดาอยู่ในสวัสด์ชั้นกามาพจรและมีเทวดาองค์อื่นอีกบางองค์ช่วยตอบปัญหาเหล่านี้ด้วยเรื่องจึงค่อยกระจายขึ้นข้อแรกที่ท่านบอกมาก็คือพวกเทพบุตรที่มีนางฟ้าเป็นบริวารอย่างมากมายนั้นเป็นพวกเทวดาชั้นสูง เป็นเทวดาที่สมบูรณ์ด้วยหิริโอต ป, ปะและคุณธรรมต่างๆข้อความในคมภีร์ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดสมบูรณ์ด้วยหิริโอต ป, ปะตั้งมั่นอยู่ในกุศ ล, ลธรรมเป็นคนมีใจสงบเป็นผู้มีสัพพุริสธรรมปรัสทั้งหลายย่องกล่าวว่าเป็นผู้มีเทวธรรมท่านบอกว่าถ้าจะ น, นึกถึงเทพบุตรที่ว่ามีนางฟ้าเป็นบริวารมากมายนั้น ก็ขอให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าบทนี้เป็นหลักและจะไม่สงสัยเลยถึงแม้พวกเทพธิดาหรือนางฟ้าทั้งหลายที่จะไปเป็นบริวารอยู่ร่วมกันมากๆเช่นนั้นก็ต้องเป็นผู้มีจิตใจสูงเช่นเดียวกันปัญหาที่ทำให้เราเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ก็เพราะเป็นนึกในแง่ของการเสพกามและการหึงหวงซึ่งเนเรื่องนี้ข้าพเจ้าด้กราเปลียนถามท่านเหมือนกัน แต่ท่านขอออกตัวไม่ยอมตอบสหายของข้าพเจ้าซึ่งมีฐานะเป็นคารวาสได้อธิบายให้ฟังว่าโดยธรรมดาเทวดาในภูมินี้ไม่มีการเสพกามแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่เคยและความกระหายที่จะเสพก็ไม่มีด้วยเพราะมีความสุขอย่างอื่นเป็นเครื่องทดแทนอย่างมากมายจนกระทั่งไม่มีใครนึกถึงเรื่องอย่างนี้ ท่านครูบาศีวิชัยได้อธิบายเพิ่มเติมว่าพวกเทพธิดาหรือพวกนางฟ้าทั้งหลายที่จะไปอยู่ร่วมเป็นบริวารของเท พ, พบุตรองค์ใดนั้น <c oughs> ก็ไปด้วยบุญบารมีและความสมัครใจของตนและเทพธิดาที่มาก่อนเขาก็เต็มใจที่จะต้อนรับเสมือนหนึ่งเทพธิดาที่มาใหม่นี้เป็นน้องของเขาเองหรือเป็นเพื่อนสนิทของเขาเอง ท่านบอกว่าไม่ควรจะคิดว่าเทพธิดาที่เป็นบริวารเหล่านี้เป็นพันยาเพราะหน้าที่ระหว่างสามีกับพันยาเหมือนกับอย่างในโลกมนุษย์นั้นไม่มีคนเหล่านี้อยู่ร่วมกันเพราะมีอุดงคติตรงกันมีความนึกคิดตรงกันมีเพื่อนจิตใจเหมือนกันในเมื่อแต่ละคนมีรูปด่างหน้าตาสวยทั้งนั้นมีคาพูดไพเราะมีเสียงหวาน และมีความสามารถแต่ละอย่างเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างแต่ก็อยู่รวมกันได้เหมือนกับคนที่รักกันเป็นเพื่อนกันทำงานร่วมกันภาระในการเลี้ยงดูหรือจะต้องรับผิดชอบใครก็ไม่มีเพราะต่างคนต่างก็มีบุญพอที่จะช่วยตัวเองได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปัญหายุ่งยากต่างๆจึงไม่มีและอีกประการหนึ่ง ปัญหาเรื่องการผูกขาดไม่มีใครสมัครจะอยู่หรือจะไปที่ไหนทุกองทาได้ตามความพอใจของตนไม่มีใครบังคับใครทุกองเป็นอิสระและท่านก็ย้อนถามว่าเรื่องจริงๆของเขาเป็นอย่างนี้ซึ่งมีอะไรหลายอย่างไม่เหมือนกับในโลกมนุษย์เลยอย่างนี้พอจะถือว่าเป็นสวัรคร์ได้ไหมท่านได้อธิบายว่า เทพบุตรองค์ใดก็ตามที่จะมีบริวารได้อย่างมากมายนั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุญมากซึ่งหมายถึงมีความดีอยู่ในตัวเองมากเป็นความดีที่สามารถจะดึงดูดเทพธิดาทั้งหลายให้มีความเต็มใจที่จะอยู่ร่วมกับตนทํางานด้วยกันเที่ยวด้วยกันสนุกด้วยกันและที่สําคัญที่สุดก็คือสามารถที่จะเป็นที่พึ่งในทางใจให้แก่นางฟ้าทั้งหลายเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งทำให้บรรดานางฟ้าที่เป็นบริวารเหล่านั้นรู้สึกว่าเมื่อตนเองได้อยู่ใกล้ชิตเทพบุตรองค์นี้ได้ฟังเสียงได้สนทนาและได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆรู้สึกว่าทำให้ชีวิตของตนเองมีความสมบูรณ์แต่ถ้าหากตนเองขาดเทพบุตรองค์นี้เสียแล้วมันจะคล้ายอย่างกับว่าต้นไม้ขาดน้ำอะไรทำนองนั้นด้วยเหตุนี้เองเทพบุตรที่มีบุญมาก เช่นอย่างพระโพธิสัตว์ซึ่งได้สร้างบา ร, รมีไว้อย่างมากมายนั้นจึงไม่ประหลาดที่จะมีนางฟ้าเป็นบริวาร น, นับแสนแสนล้านล้านท่านได้เตือนมาอีกว่าบรรดา น, นางฟ้าทั้งหลายที่จะไปเป็นบริวารของเทพบุตรองค์ใดนั้นอย่าลืมว่าจะต้องมีบุญพอที่จะเข้าถึงหรืออย่างรู้บุญบา ร, รมีของเทพบุตรองค์นั้น เลื่อมใสในบุญบารมีของเทพบุตรองค์นั้นซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นไปนตามกฎของกรรมอย่างตรงไปตรงมาดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและประณีตสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ท่านบอกว่าถ้าหากคนในโลกมนุษย์ จะพึงเข้าใจตามที่ท่านได้อธิบายมาให้ฟังนี้แล้วจะไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเมืองสวรรค์ที่รู้สึกว่ามีอะไรหลายอย่างผิดแปลกไปจากโลกมนุษย์มากท่านได้เปรารบถึงหนังสือโลกทิพย์คือ life in the world unseen ที่ข้าพเจ้าจัดการพิมพ์ออกมาเผยแพร่ท่านบอกว่าเรื่องสวรรค์อย่างที่บรรยายไว้ในหนังสือโลกทิพย์นั้น เป็นภูมิที่ต่ำกว่าสวรรค์ที่ท่านกำลังอธิบายอยู่นี้และในสวรรค์ที่ท่านอธิบายอยู่นี้ก็มีภูมิประเทศมีทัศนียภาพที่สวยงามมีที่อยู่ซึ่งเยวเรียกว่าปราสาทหรือวิมานอะไรก็ได้และท่านบอกเหมือนกันว่าถ้าเป็นพวกเทวดาชั้นต่ำซึ่งมีฮิริโอตตาปะไม่สมบูรณ์จิตใจยังไม่สูงพอจิตใจมีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์ทั่ ว, วไป พวกเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเทวดาได้เพราะตามหลักในทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งไว้ว่านอกจากพวกอบายภูมิแล้วพวกที่เหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นเทวดาหรือเป็นพรมคนที่มาเกิดเป็นโอปปาติกะซึ่งจิตใจยังไม่บาปหยาบช้าถึงกลับไปเกิดในอบายภูมิแต่ก็ยังไม่สูงพอที่จะเป็นเทวดาชั้นสูงได้ โอปปปติกะในชั้นนี้มีมากในจำพวกเทวดาเหล่านี้เองจะพบว่ามีการอยู่กันเป็นคู่คู่ใครคู่มันมีการหึงหวงเหมือนกับในโลกมนุษย์และมีการทะเลาะวิวาทเหมือนอย่างในโลกมนุษย์ด้วยท่านบอกว่าให้นึกถึงเรื่องเทวดาในเรื่องเมืองโกสัมพีซึ่งในสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายที่เป็นปู่ทุชนในเมืองโกสัมพีกลุ่มหนึ่งได้ทะเลาะวิวาทกันด้วยปัญหาทางวินยัย แล้วก็แตกความสามาคัคคีกันแยกออกเป็นสองฝ่ายมนุษย์ทั้งหลายในเมืองโกสัมพีซึ่งไม่ใช่ทุกคนก็ได้แตกออกเป็นสองฝ่ายและไม่ใช่เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้นเทวดาทั้งหลายก็ได้แตกออกเป็นสองฝ่ายเหมือนกันท่านบอกว่าเทวดาที่กล่าวถึงในคำภีร์คือพระไตรปิฎกนี้ก็คือพวกเทวดาชั้นต่ำเป็นพวกที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ได้เห็นได้ยินการกระทําของมนุษย์อยู่เสมอ และมีใจเอียนเองไปตามนิสัยเดิมมีการถือสัญชาติถือลัทธิถือประเพณีตามความเคยชินส่วนเทวดาชั้นสูงนิสัยที่ว่านี้ไม่มีหมายเหตุผู้อ่านในประวัติหลวงปู่มั่นท่านก็เล่าถึงเทวดาจำพวกนี้ไว้เช่นกันนะครับว่ามีการเป็นอยู่เหมือนมนุษย์ทั่วไปมีการย้ายถิ่น ซึ่งต้องเข้าใจให้ตรงนะครับว่าเทวดาจำพวกนี้ความจริงอาจไม่ใกล้เคียงกับเทวดาที่เราเข้าใจกันซึ่งน่าจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่มีกายหยาบมีแต่กายทิพย์เป็นโอปปปาติกะประเภทหนึ่งซึ่งนับเข้าในเทวดาจำพวกหนึ่งแต่เป็นพวกที่ต่ำมากบางคนอาจจะแย้งว่าไม่น่าเป็นจริงไปได้โดยอาจลืมไปว่าคนที่ตายจากมนุษย์แล้วบาปก็ไม่มากพอจะตกนรกบุญก็ไม่มากพอ แต่ยังไม่ถือเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์และยังมีความยึดมั่นถือมั่นเหนียวแน่นบุญที่พอมีอยู่บ้างก็ย่อมจะสร้างภพภูมิในระดับที่เหมาะสมกับความยึดมั่นของคนเหล่านั้นเช่นกันและคำอธิบายภพภูมิจำพวกนี้ก็ปรากฏในหนังสือของต่างชาติมากมายหลายเล่มเกี่ยวกับการติดต่อทางวิญญาณท่น่าสนใจก็คือท่านเหล่านั้นล้วนนับถือศาสนาอื่นซึ่งคาอธิบายหรือบอกเล่าส่วนใหญ่นั้น กับมาตรงกับหลักกรรมของพระพุทธศาสนาและขัดแย้งกับคำสอนในศาสนาของท่านนะครับอันหนึ่งเมื่อพูดถึงเทพบุตรแต่ละองค์มีนางฟ้าเป็นบริวารมากมายได้ข้าพเจ้าก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่านางฟ้าที่มีเทพบุตรเป็นบริวารมากมายจะมีบ้างหรือไม่ ท่านตอบว่ามีแต่ก็อย่าลืมว่าผู้หญิงที่จะไปเกิดเป็นนางฟ้ามีเทพระบุตรเป็นบริวารมากมายนั้นจะต้องเป็นคนที่มีบุญมากจริงๆเหมือนกับผู้หญิงบางคนในโลกมนุษย์ที่มีความสามารถมีความดีอยู่ในตัวหลายอย่างก็สามารถที่จะเป็นผู้ปกครองหรือเป็นหัวหน้าผู้ชายได้มากมายข้อนี้ฉันใดในสวรรค์ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวจะน้อยหน้าว่า ผู้ชายมีได้แต่ผู้หญิงมีไม่ได้แต่ถ้าผู้หญิงคนใดมีบุญน้อยก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าได้แต่ส่วนมากจะมีแต่นางฟ้าเป็นบริวารเทพบุตรไม่มีหรือถ้าจะมีก็น้อยเป็นเทพบุตรชั้นต่ําอันที่จริงเรื่องเกี่ยวกับสวรรค์และนรกตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์นั้นถ้าหากผู้อ่านหรือผู้ฟังจะเข้าใจหลักวิชาและกําหนดขอบเขตให้ถูก ก็สามารถจะเข้าใจและเชื่อได้สนิททั้งจะไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดอีกด้วยแต่ก็เป็นของธรรมดาเหลือเกินที่มนุษย์ในโลกส่วนมากจะต้องเข้าใจผิดเพราะเขาเป็นคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดและบอดอยู่จนตลอดชีวิตสำหรับเรื่องในโลกของโอปปาติกะคนตาบอดมักจะสร้างมโนภาพที่ผิดข้อนี้ฉันใด คนที่ไม่สามารถจะติดต่อกับโอปปาติกาได้ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกาเลยในทางหลักวิชาจึงเป็นของธรรมดาที่จะต้องเข้าใจผิดเพราะความรู้ในขั้นพื้นฐานมีไม่พอเมื่อมาได้ยินเรื่องที่มีหลักเกณฑ์ผิดจากโลกมนุษย์มากมายเช่นนั้นจึงทําให้เกิดความไม่เชื่อมันเหมือนกับนิทานเรื่องเต่ากับปลาปลามีความรู้แต่เรื่องในน้ํา เคยเห็นสิ่งต่างๆแต่ภายในน้ำและแม้สิ่งที่อาจจะเห็นได้ในน้ำนั้นก็ไม่ใช่จะเห็นทั้งหมดเห็นแต่เพียงบางส่วนและแม้จะเห็นอยู่กับตาแล้วที่ไม่เข้าใจเลยก็มีอีกมากส่วนเต่าแม้จะเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกและในน้ำเห็นสิ่งต่างๆทั้งบนบกและในน้ำมีความรู้มากกว่าปลาแต่เต่าก็ไม่ใช่สัตว์ที่ฉลาดฉะนั้น เมื่อเต่านำเอาเรื่องบนบกมาเล่าให้ปลาฟังทั้งที่เอาเรื่องจริงมาบอกแต่ปลาไม่ยอมเชื่อเพราะอะไรเพราะทั้งผู้บอกและผู้ฟังฉลาดพอพอกันและด้วยเหตุนี้เองเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ซึ่งมีเล่ากันสืบต่อกันมาหรือบันทึกไว้ทุกชาติทุกศาสนาจึงมีลักษณะไม่พ้นไปจากนิทานเรื่องเต่ากับปลา สำหรับคนที่เคยอ่านหนังสือพระไตรปิฎกมามากจะสังเกตได้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนรกและสวรรค์ไว้เลยนอกจากจะทรงบอกแต่หลักใหญ่ๆไว้เท่านั้นทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงทราบดีว่าการอธิบายเรื่องของคนตาดีให้คนตาบอดฟังถ้าบอกและอธิบายเฉพาะเท่าที่จําเป็นย่อมดีกว่าที่จะทรงอธิบายไว้อย่างพิสดาร ในเมื่อคนฟังไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ถูกเลยแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าพระองค์พบใครที่มีพื้นพอที่จะเข้าใจได้ถูกต้องแล้วพระองค์จะไม่ทรงอธิบายให้ฟังตรงกันข้ามในเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าเขาสามารถจะเข้าใจได้ถูกต้องและเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และจําเป็นที่เขาจะต้องรู้ถ้าเป็นเช่นนี้พระองค์ก็ทรงอธิบายโดยละเอียด การเทศนาที่เรียกว่าอนุปุพภิกถาคือการเทศนาที่เริ่มต้นตั้งแต่ทานศีล ส, สวรรค์โทษของกามและการออกไปจากกามโดยลำดับนั้นแน่นอนพระองค์จะต้องทรงอธิบายอย่างละเอียดตามหัวข้อเหล่านี้จนกระทั่งผู้ฟังเข้าใจและเชื่อได้อย่างสนิทแต่รายละเอียดอย่างนี้ไม่มีบันทึกไวในคัมภีร์ ซึ่งข้าพเจ้าเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมจึงไม่มี